ท่านไปฟังทั้งหลายสาหรับวันนี้ก็พบกันอีกมาพบ ก, กันตอนต้นฉบับหนังสืออันเล่นตอนที่แปดหนังสืออันเล่นเล่มที่ห้านะตอนที่แปดเป็นตอนจบหนังสืออันเล่นหนึ่งเล่มใช้บันทึกเสียงเพื่อไปต้นฉบับแปดตอนแลเมื่อวานนหน้าแรกก็ดี ตอนที่แล้วก็ตามตอนนี้ก็ตามก็เป็นวันที่อ่าเป็นวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยสาิเอ็ดก็เป็นว่าวันตอนนี้นะก็ให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงยุพรช่วยตำรวจเป็นเรื่องรายของท่านมีการช่วยมากแต่ก็จะนำมาพูดเฉพาะบางตอนเพื่อเป็นตัวอย่าง มีปีหนึ่งอาตมาก็จำออํำพศไม่ได้เวลานั้นกําลังอยู่กระตอ๊อบการที่มาอยู่วัดท่าทรงนิบรรดาท่านพุทธวิสัชจะเห็นว่าวัดใหญ่โตจะคิดว่าพื้นฐานของเขาดีเนื้อที่วัดเดิมจริงๆมีหกไร่และก็กุฏิที่มันจะมาอยู่มีกุฏิอสามหลังหลังที่ดีที่สุดก็คือหลังที่จเจ้าวาดอยู่ อีกสองหลังที่จะมาจะอยู่ได้ก็เป็นกุติทิพย์่นก็ไม้ควาวันนอนในกุติกลางคืนเห็นดาวได้โดยไม่ต้องออกมานกชานเห็นเดือนเห็นดาวได้กลางวันนกบินบรนม า, นากาศก็สามารถจะเห็นได้เป็นกุติทิพย์จริงๆ <c oughs> คนเดินผ่านไปผ่านมาด้านนอกสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง ทั้งนี้พ่ออะไรพระวรังคามันโปรง่งฝาก็โปรง่งคุ้มแดกก็ไม่ไหวคุ้มลมก็ไม่ได้คุ้มฝนก็ไม่ได้ในสภาพของวัดถ้าสูงเดิมจริงๆเป็นอย่างนี้ <c oughs> อาตมาที่มานี่ก็จะวาดให้หนาปฏิมนมาเพื่อให้มีการช่วยวัดช่วยสร้างหอสิลป์มนและช่วยสร้างวัดเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องปรกกระตอบอยู่ประวัติเรื่องนี้ก็ของผ่านไป ให้ทราบว่าอาตมามาแล้วมาอยู่กับต็อปแล้วก็มีทุนจริงๆมาร้อยบาทเงินร้อยบาทเนี้ไม่ได้สร้างวัดมาต้องซื้อข้าวสารซื้ออาหารกินต้องอาศัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจังหวัดชัยนาธบ้างอำเภอมโนรมบ้าง บ, า ง, บางเคียนบ้างแล้วก็คนชุบคนณเชียออนบ้างและญาโยมที่กรุงเทพบ้างช่วยเลี้ยงจึงมีชีวิตมาได้ ใครมาใครไปเขาก็าให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีกำลังสำคัญในตอนต้นก็คือพลอากาศเอกอาธรโลจนาวิพาตและสิริรัตน์โลจนาวิพาตเป็นบัญญาของคนอาทรจะรวยวินซีและก็พิมพานับลืมนาตกุลรวมทั้งกันดัของท่านทั้งหมดไม่ใช่ชาวนี้นตะเปยกันนะช่วยสงเคราะห์ให้มีชีวิตขึ้นมาได้ ในระยะนั้นก็มีตำรวจมาจากกรุงเทพท่านหนึ่งมีทุกมามากพัน ญ, ญากับเพื่อนแต่นายตำรวจท่านนี้จะชื่อว่าอะไรอยู่ที่ไหนมีงานประเภทไหนงานอาจจะบอกกันได้แต่ชื่อขอปกปิดที่อยู่ขอปกปิดแต่ว่าท่านผู้นี้มีความรู้ในั้งขีดเขียนออกแบบ ก็เป็นันว่าท่านมาปรารบมาถึงท่านกับปรารบบอกว่าผมมีเรื่องเกิดขึ้นแต่อยากจะให้หลวงพ่อช่วยก็ถามท่านว่าจะช่วยยังไงท่านก็บอกว่าเขาจะขังผมผมก็บอกกับเจ้านายกับผู้บังคับบัญชาว่าเขยให้ขังได้ชี้ก็แล้วกันไม่ขังตัวแต่เจ้านายก็ยืนยันว่าจะขังตัว เป็นอันว่าพูดกันสองสามคราวไม่รู้เรื่องท่านจะขังแน่ผมเห็นเท่าว่าจะไปไม่รอดจะขังผมก็แย่อยากจะให้หลงพ่อช่วยามาทำไมก็มานั่งนึกในใจว่าตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ก็จะไหวที่มีชีวิตอยู่ได้อยู่นี่กับพ่ออาศัยลูกหลานช่วยสงเคราะห์มีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ใครเข้ามาทําบุญก็นำเกินก็ไปก่อสร้างเวลานั้นก็มีเล็กๆ น, น้อยๆแล้วก็เงินที่คณะที่กล่าวมาแล้วให้มันเหลือกินเหลือใช้ก็นําไปสร้างที่อุทัยก็มีนนท์นนทานันตะวงศ์อีกคนหนึงเป็นกำมังใหญ่ก็จะของโป้ก็ช่วยให้เงินให้ทองอยู่เสมอแต่ครองชีวิตขึ้นมาได้แต่ก็สามารถค่อยมีทุนเล็กๆ น, น้อยๆสร้างไม่ได้ตามลําดับ เป็ น, นันว่าท่านนายตำรวจคนนั้นท่านบอกให้ช่วยอาตมาก็งงคิดว่าเราจะช่วยอย่างไรนะวิชาความรู้ด้านนี้เราก็ไม่มีกับเา้าเรียนมาโดยเฉพาะกันเธอหนึ่งเรียนนักธรรมเรียนบาลีนักธรรมเรียนจบชั้นเอกนักธรรมเอกแล้วบาลีเนี่ยเรียนต่อแต่เต็มทีถ้าเวลานี้ใครจะนำไปสอบบาลีก็ตกในแงลืมกันหมดแล้ว <c oughs> บาลีก็เรียนเล็กๆในน้อยก็จุ๋มก็จิมความรู้ไม่มากแต่ว่าวิชาความรู้พิเศษ <c oughs> การรักษาโรคก็ดีการช่วยสงเคราะห์คนที่รักกันจะให้เขเกลียดกันเขาเกรียดกันให้เขารักกันเขามีทุกข์ให้มีสุขมีสุขให้มีทุกข์แต่เพศนี้หลวงพ่อปานไม่ได้สอนมา <c oughs> ความจริงวิชาหมอท่านต้องการจะสอนแต่ไม่เรียน ากาคาถาต่างๆท่านก็ต้องการจะสอนแต่ไม่เรียนไม่ชอบเรียนในเมื่อถูกขอร้องแบบนี้ก็จนใจนั่งนึกจุไปเหนียวหนึ่งท่านก็นั่งเฉยอาตมาก็นั่งเฉยแต่ความจริงการนั่งเฉยไม่ใช่เฉยอะไรคิดคิดว่าจะหาทางใดเป็นที่ช่วยเหลือได้ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเวลานั้นปรากฏว่าเทวดาห้าหกท่าน เข้ามาพอดีมาถึงท่านก็ยืนแล้วก็ยกมือไหว้เขาบรรดาท่นพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังและผู้อา่านได้โปรดทราบว่านี่เป็นเรื่องนิทานนะท่านผู้อ่านทุกคนอย่าลืมว่านิทานนิทานเราจะพบเทวดาพบพรหมพบใครก็ได้ทั้งหมดนิทานที่อย่างพบในสิ่งเที่ยวไปข้าบ้านเขาพบไม่ได้ก็บ พ, บ พ, พบได้เพราะมันเป็นนิทาน ก็บังเอิญมีเทวดาห้าท่านมาถึงยกมือไหว้ห้าท่านนี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชทั้งหมดคือท่านทศรสท่านวิรุฬหกท่านรุนปักทํานเวสวันและกรมหลวงยุพลอนเวลานั่งกรมหลวงยุคลอนยังไปอินทกะยังไม่ได้เป็นท่าวิรุฬหกท่านมายกมือไหว้ก็เลยถามท่านเวสวรัน ว่าเขาต้องการให้ช่วยเหลือแบบนี้จะมีทางช่วยเหลือไหมท่านเวสว ร, ร์ท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าผมขอตอบขอตอบแทนอีกสี่คนห้าคนทั้งผมถ้าบอกช่วยเหลือได้เมื่อถามท่านว่าจะช่วยเหลื อ, อยังไงมีทางเขาแนะนําด้วยท่านก็ชี้ไปที่กรมหลวงยุพน์เวลานั่งกรมหลวงยุพน์ท่านมาใหม่ๆท่านแต่งตัวเปโตรดา มีเชดดาหแหลมเปียบแพรวพราปนยิยบพอท่านเวสว ร, รันชีบอกนี่คือกรุนริมผรอนเท่านั้นแหละภาพเทวดาก็หายไปภาพยศพลเลยเอกก็ปรากฏขึ้นเป็นพลเลยเอกท่นานราชนาวีไทยท่านยิ้มท่านก็ยกมือไหว้ถามท่านบอกว่าจะเมตตาช่วยได้ไหมท่านบอกได้ขครับเท่าที่มานี่ตั้งใจใจช่วย ก็เห็นว่าพระคุณเจ้าหมดทางแล้วอึดอัดเต็มทีจึงได้ขอร้องท่านมหาราชทั้งสี่ว่ามาด้วยกันเป็นพยายนกันและก็ช่วยกันท่านเวสสวัรก็บอกว่าทั้งสี่คนทั้งสี่องค์ี้ผมก็พร้อมช่วยรับแต่หน้าที่เด่นจริงๆโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ของกมหลวงยุพนก็ถามนั่นว่าวิธีจะช่วยทย่านยังไงแต่บอกวิธีช่วยผมก็แบบธรรมดาธรรมดานะครับ ว่าคนนี้เป็นนายตำรวจแล้วก็มีเงินเดือนต้องขอเต็มอัตราถามว่าท่านอยขออะไรที่ว่าจะขอเงินเขาขอทองเขาท่านบอกก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่อยกขอไม่เสษ็จคืนหนึ่งข้าวปากหม้อนหนึ่งถ้วยมากตัวมะบรดาแทานพุทธบริษัทแล้วกับราการที่สองหัวหมูหนึ่งหัว เป็นนายตงรวเป็นขเดชการอย่าลืมนะแล้วเป็นคนท่านดีเรียัมีสตังท่างแต่การบูดีขึ้นไปต้องใช้ตามนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเวลานั้นท่านยังเป็นอินทกะอยู่ท่านยังชอบชอบไอเ้เปรในเวลานี้เลยแล้นะถ้าบอกต่อไปก็มีไอ้เปรยหนึ่งหยท่านผู้ฟังทราบไหม เ, เปรย์ออะไร บางท่านอย่าสงสัยว่าไอเป้คืออะไรถ้าไอเป้มีแล้อีเป้มีไหมก็ขอตอบว่าไอเป้คือน้ําตาลเมาถ้าผู้ชายดื่มเซก็เรียกว่าไอเป้ถ้าผู้หญิงดื่มไปเซ่ C, แล้วเรียกอีเป้ต้องมีทั้งอีและไอไม่ใช่นั้นก็ขอนกันเ <c oughs> กรงคว้าว่าต้องการไอเป้หนึ่งหแล้วก็ปลาหมึกปิ้งสักหนึ่งตัวเป็นกับ กับไอเป้แค่กระยุดว่าตามปกติจริงเขาบนกันเท่านี้ฟังคนก็บนแต่ไอเป้อย่างเดียวท่านบอกว่าอีกสองอย่างนี้ผมก็ชอบจะไม่มีคนก็ให้ถามท่านว่าอะไรท่านบอกค่าของไหว้คือทองหยิบไหว้ทองและของเขาอย่างหนึ่งนั่นคือขนมจีนที่เขามีใส่อะไรหัวปรีหันแล้วก็มี มีพริกเผาก็ได้ความวานั่งคืนของน้องกินน้ำพริกถ้าบอกขอแถมเขาที่ทนี่นาเทนิชันได้ไหมเออบอกก็เลยถามเขาถามว่าคุณเวลานี้เทวดาท่านมาห้าองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกรมพิพน ร, รับภาษาว่าจะช่วยท่านมหาราชทั้งสีก็รับช่วยแค่เป็นหน้าที่ก็กรมพิพนท่านขอตามนี้ ก็เป็นอันว่าคนที่ตายตํางโหลดที่มาเนี่ยท่านก็ได้ที่ไปคุยานไม่ใช่เล่นนะที่ไปขวยานเขาท่านแจ่มใสดีมากถ้านก็บอกว่าได้เขารับแล้วท่าน่็นั่งนิ่งปะเดี๋ยวท่านบอกท่านเห็นแล้วเห็นเทวดาที่มาทั้งห้าท่านแล้วแล้วผมก็ขอลองแล้ววิธีขอร้องในบรรดาเทาพรุษไวยสัจเขาไม่ต้องใช้เสียงกันแค่พูดด้วยใจ การพูดกับผีการพูดกับเทวดานี้ไม่ต้องใช้ปากไ ม, ไม่ต้องไม่ตองเสียงออกจากปากใช้ความรู้สึกของใจใช้ได้เลยท่านบอกว่าขอร้องท่านแล้วเวลานี้ท่านรับผมจะจ่ายการตามนั้นครับแล้วก็ท่านพูดถามว่าจะจะไปบนที่ไหนก็บอกตามใจเธอรูปปั้นก็รูปพุ่นก็มีรูปหลอกก็มีที่ไหนก็ได้ตามใจคุณ คุณจะบนที่ไหนเป็นหน้าที่ของคุณให้หาของง่ายๆก็แล้วกันเอ้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปบนที่กรุงเทพในที่สุดก็ไปบนเวลาบนอย่าลืมว่าบรรดาเทพพุทธบริษัท ต, ต้องมีของครบถาวายก่อนแล้ก็กราบเรียนที่บอกว่าถ้าสำเร็จตามความประสงค์ตามที่ต้องการก็จะถาวายครั้งหนึ่งเป็นการแก้บน ครูควาวันนายตำรวจคนนั้นก็รีบกลับวันรุ่งขึ้นตอนเช้าของก็ครบก็ในกรุงเทพหาของง่ายบนทันทีและก็ถวายทันทีต่อมาได้ทราบาว่านายตำรวจท่านนี้ท่านมาหาและบอกว่าไปที่นาอัศจรรย์เป็นพิเศษครับเมื่อบนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไปที่ทํางาน ไปพบหน้าครูงคบัญชาท่านนั้นก็คิดว่าวันนี้ท่านคงสั่งข่าวแน่เพราะเป็นกาหนดวันพอขึ้นไปแล้วก็ทําความเคารพท่านตามปกติแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ฟังเสียงท่านพูดมาครั้งแรกท่านเรียกชื่อตาตมาจะไม่พูดถึงชื่อว่าเองจงกลับบ้านได้ฉันขังแกตายกําหนดเท่านี้ แต่ว่าจะไม่ขังตัวจะขังได้ชื่อภายในกำหนดเท่านี้เองจงอย่ามาที่ทํางานนะถือว่าถูกขังไปแล้วประเดี๋ยวฉันจะถูกด่ามาทราบจากนาําำรวจทีหลังพันตำรวจโทไพโรธท่านมาบอกว่าการขังในายตรวจครับโดยมากเขาไม่เคยขังกันเขาให้เกียรติคำว่าจะให้เป็นการขังอยู่ที่บ้านขังได้ชื่อกันถ้าไม่เตรียมทีจริงๆเนี่ยเขาไม่ขัง ก็าทราบทีหลังเนะ่เป็นอันว่าท่านผู้นี้ก็ไม่ต้องถูกครั้งเป็นนาทีสุดของวันเมื่อครบกําหนดแล้วแปลก็ว่าท่านก็แก้บนการแก้บนของท่านก็เลยบอกขอให้แก้บนที่สัตหีบท่านก็ว่าขนมจีนเป็นหักหาไปเลยหัวหมูไหลหัวไก่ไหลตัวองคเปยว่าจะเป็นไหลไหลหายนล้ก็แล้วก็เข โอตอนน้องจีนน้ำยาทุกอย่างน้ําพริกก็ไม่มีน้ํายาเป็นว่าว่ า, ก, วากันเต็มที่เขถวายเต็มกันเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความดีของกรมหลว ง, งนุ่มพรเป็นว่าลูกช้างลูกแกะลูกแพะลูกกระ บ, บือ้องของกรมหลวนุ่มพรก็อิ่มกันไแ่แถวๆ <c oughs> นี่ระบรรดาท่านผู้ศึกท่านผู้ฟังเป็นว่านายตารวจคนนี้ท้าเป็นช่างเขียนเขียนออกแบบ แล้ววางที่ถูกขังชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปทํางานก็เป็นคนว่างแต่ว่างจากงานราช ก, การแต่งานส่วนตัวท่านไม่ว่างท่านเขียนออกแบบรวยไปเลยพัดเป็นงานส่วนตัวโดวยเฉพาะเปนน็นว่าเป็นการช่วยตํารวจนะหรือเวลายสิบนาทีขอต่ออีกนิดจะได้จบเรื่องกงรมหลวงยุพนเรื่องกงรมหลวงยุพนมีมาก <c oughs> แต่ว่าขอยับยั้งไว้เพียงเท่านี้นะเอาอีกนิดหนึ่งตอนนี้มาก็เป็นตอนที่กรมหลวงยุพานถูกโกงกุมหลวงยุพาถูกโกงนี่ไปถูกโกงที่นี่เองไม่ยากแต่ความลิงเรื่องมีมากเอาของงดเอาแค่นี้ถูกโกงเพราะผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ที่อำเภอวัดสิงจังหวัดชีย น, นาฏที่เขตวัดปอคลองคาเท่าตอนนั้นอาตมาอยู่ที่นั่น หญิงคนนี้ปลายกูดว่าลูกชายหายลูกชายเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสิบแปดปีหายไปสามปีไม่ยอมกลับบ้านเธอก็มาขอร้องว่าอยากจะให้ลูกชายกลับอาจะมาก็เป็นในเพียงตัวแทนเป็นคุณบอกตามที่พระเจ้าทรงทงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ตาทาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกแล้วเธอทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไไมเรื่องของเธอแนะนำไปก็เลยแนะนำราะว่าคนหายนี่อยม่เขาอาศัยกงหลวงยุพน์กันนะ <c oughs> ถ้าบนกงหลวงยุพน์แล้วก็มีเจตที่จะมา <c oughs> แต่ว่าจะมาหรือไม่มาจะมาก็มายืนยันเวลาบนโยมก็ใช้ของสักหน่อย ท้ามาจริงๆก็ใช้ของมากๆก็แนะนําตามที่เขาเขาทํากันแต่ว่าเวลานั้นสมหลวงพ่ออนยังนิยมไอเปอยู่ยังขอยังเรียกไอเปย์ <c oughs> ก็เป็นมาหญิงคนนั้นกระบนเวลาบนใช้เปยเนี่ยจอกได้กลับเรียนกับท่านว่าในเวลาบนว่าท่าลูกชายกลับมาจะถาวายเปย์สามหายใน ใ, นใจปั้ม เมื่อบนเสร็จปรากฏว่าลูกสามวันที่สามลูกชายมาถึงบ้าน <c oughs> ลูกชายมาถึงบ้านใจ ก, ก็ดีออกดีใจวันที่สามเขาก็ชายมาเธอก็แก้บนอย่าลืมว่าเวลาบนเธอบนบอกไอ้เป้สามหายแต่เวลาแก้บนจริงๆบรรดาท่านผู้ฟังได้สังเกตด้นก็คน แก้บนจริงๆปรากฏเอาหายมาตั้งสามหายถ้าเอาไอ้เป้ใส่ไปหายแล้จอบ <c oughs> อย่างนี้เรียว่าเทวดาถูกมนุษย์โกงแล้วก็แก้บนท่านพอแก้บนเสร็จปรากฏอยู่เวลาสามวันได้ได้จอกระวันลูกชายหายไปตามเดิมเมื่อลูกชายหายไปหลายวันสิบวันกว่าตามก็มพบถามใครก็ไม่พบ ในที่สุดเธอก็มาถามอัตมาอีกว่าขณะที่บุญกบลยุครบนแล้วลูกชายก็มาแล้ววันที่สามก็มาถึงบ้านแต่ว่าพออยู่บ้านในสามวันฉันหาของได้ฉันก็แก้บุญพอแก้บุญในสามวันลูกชายหายไปอีกหายไปสิบวันกว่าแล้วตามไม่พบอยากจะทราบว่าถ้าจะตามใหม่เธอจะมาไหม ก็ถามเธอว่าเวลาเธอบนบนอะไรเธอก็เล่าให้ฟังที่เวลาแก่เธอเวลาแก่เธอก็บอกว่ามีคนข้างบ้านเขามาแนะนําคําว่าไหาให้เอาไหามาตั้งแต่ว่าของไม่จําเป็นต้องเต็มไหเอาใส่ไหาย้ดเจาะก็ใช้ได้เือว่าด้านหนึ่งไหมันเต็มหายหรือไม่เต็มไหก็ของในหเธอก็ทําตามนั้นด้านที่สุดลูกชายก็หายไป ก็จึงได้บอกเธอว่านี่โยมมันไม่ไหวเสียแล้วเป็นเหตุเกินวิสัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราบนหนึ่งหายและสามหายแต่ว่าใช้หายได้จอกปริมาณมันไม่ได้กันอาตมา ก, ก็มีไม่มีหน้าที่บังคับเทวดาเทวดาก็ไม่ใช่ลูกนอก้องอาตมาฉะนั้นขอโยมที่โปรดทราบ ว่าต่อที่นี้ไปให้เป็นภาระของโยมอาแตมาไม่รับรองเด็กจะมาหรือมาจะบนท่านอย่ารับเลยไม่รับก็เป็นหน้าที่ของโยมก็เป็นวันเลิกกันในระเบนดาแทนพุทธ ร, ริสาทุกท่านนอกจากนี้ก็มีอีกเยอะเป็นอนวบาการแก้บนของนลวงพ่แก้กันเกือบทุกวันแล้วก็มีคนมาขอร้องให้ติดต่อกลุ่นคลอนทุกวัน แต่ก็เป็นความดีบรรดาญาติโยมุทธบริษัททุกคนนี้ก็ทำกันก็ไม่มีใครเขาโกงกรมหลวงพรมีโกงอยู่รายเดียวต่อมาเมื่อท่านวีรนุชหกที่เเจ้านายโดยโจงท่านเลื่อนไปอยู่พรมกรมหลวงยพรเนเป็นอินทกาอินเทวดาเตรียมการอินทกาเนี่มีพันท่านก็ถูกเลือกให้เป็นวีรนุชหก มันหลังจากเป็นเทวดาชั้นวีรุณหกแล้วเป็นเจ้านายเขาเป็นหัวหน้าเป็นท้ามหาราชท่านก็มารายงานในสาบเอาว่าเวลานี้ผมเลื่อนเป็นวีรนุกหกแล้วครับเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ต่อไปแต่ใครเขาจะบ่นผมการบ่นเหล้าก็ดีบ่นน้ำข้าวก็ดีบ่นเอเป๊กือน้ำตาลมาก็ดีของงดทั้งหมดให้ใช้แต่ของบุธรรมดาธรรมดา นารมดาญาโยมพู้ตบริสัทธ์ทหลายโดทนุน่ะเวลาก็ยังเหลือเยอะก็มาคุยกันเป็นว่าเรื่องราวกรมหลวงนิพนก็ขอยับยั้งเพียงเท่านี้นะเรื่องเทวดายังมีเยอะเรื่องผีก็จะมีอีก <c oughs> ยังต่อกันเรื่อยๆเป็นน่าถือว่าตอนนี้ถือว่าจบเล่มที่ห้าเป็นงวดเป็นตอนสุดท้ายของงวดที่ห้าเมื่อเวลาเหลือประมาณสามนาทีก็คุยกัน ท้าบันดาญาโยมพุทธวายสัตว์ทุกท่านหรือท่านบุฟังทุกคนอยากจะเป็นคนดีมีความสุขให้ปฏิบัติในสังฆะวัตถุสี่ระการสังฆะวัตถุคือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะส่วนนี้ไม่ขัดคอกับขี้เมาคนกินเหล้าก็ปฏิบัติได้คนเจ้าชู้ก็ปฏิบัติได้ แต่ถ้าบังเอิญปฏิบัติไปได้เข้าถึงความดีก็ต้องเลิกเหล้าเพวกคนดีก็เลิกเจ้าชู้นี่เป็นเรื่องธรรมดายังไม่ห้ามในตอนตอน้นกินเหล้าก็าปฏิบัติได้คนเจ้าชู้ปฏิบัติได้ความจริงศีลมีห้าข้อทำไมชอบพูดสองข้อก็เพราะว่าสองข้อนี้เวลานี้ยังเป็นสมัยนิยมเรืองเป็นศีนที่บุคคลต้องการจะละเมิด อย่างการเมสุมมช้าจารในเวลานี้สะดวกหาไม่ยากและสุนดามีเมไรก็สะดวกหาไม่ยากอาตมาก็ไม่ตำหนิเป็นของธรรมดาเพราะเป็นของที่ทุกคนชอบของทุกคนรักแต่ต้องการเอาธรรมะปฏิบัติทันดีก็เอาสี่อย่างคือหนึ่งทานการให้รู้จักสงเคราะห์ซึ่งกันะกันตามสงคนจะให้หนักนัก เอาแค่พอดีประกวเราให้เขาเขารักเราเขาให้เราเรารักเขา <c oughs> เน่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเขาบคุคคลผู้รับในเมื่อเรามีคนรักเราก็มีความสุขข้อที่สองปิยะวาจาคือพูดดีพูดเป็นที่ถูกใจของบอคุคคลผู้รับฟังเราพูดดีเขาชอบเขาพูดดีเราชอบ ในเมื่อต่างคนต่างชอบกันแบบนี้มันก็เป็นความสุขมีทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันมีความรักกันและต่อไปการช่วยเหลือการงานเชิงการค้ากันถ้าเขาทําไม่ไหวเราช่วยเราช่วยเขาเขาก็รักเราถ้าเราทําไม่ไหวเขาช่วยเขาช่วยเราเราก็รักเขา รวมความอาการช่วยกันงานซึ่งกันและกันต่างกำลังก็เป็นปัจจัยเกิดความรักเกิดความสุขต่อไปก็การไม่ถือตัวไม่ถือตนจะไปที่ไหนก็ตามวางตนเสมอเขาถือว่าเป็นเพื่อนเฮไหนไปหาไหนมา <c oughs> ทำอะไรก็ทำเป็นการสนุกก็สนุกด้วยกันไม่เย่อหยิงจองห้องไม่ถือฐานะไม่ถือตะกูนไม่ถือหลักความรู้ว่าฉันรู้ดีกว่าถ้าถือแบบนั้นมันอด เป็นที่เกิดของคนรวมความการไม่ถือตัวไม่ถือตนก็เป็นปันปจจัเคยเกิดความรักแล้วเป็นไปในเมื่อคนรักมากแล้วก็มีความสุขฉะนั้นเขาบันได้ย่าโยมพุทธบริษัททุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาะอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้สําหรับฆราวาสที่เขาได้ปฏิบัติเพื่อความสุขของคน ถ้าอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขแต่ไปไหนก็มีความสุขเพรมีคนรักมีคนรักมากเท่าไหร่เรามีความสุขมากเท่านั้นขอย้อนอีอย่างอีที่หนึ่งว่าการปฏิบัติสี่ประการหนึ่งว่าหนึ่งรู้จักสงเคราะห์สิ่งอัตใดกันด้วยวัตถุคือการให้สองพูดดีสามช่วยเหลือกันงานสี่ไม่ถือตัวไม่ถือตน นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าทุกคนต้องการความสุขจริงให้ปฏิบัติในสังขาวัตถุทั้งสี่ประการนี้ครบถ้วนท่านท่ า, ทาปฏิบัติได้ครบถ้วนจริงๆขอยืนยันว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่เป็นคนมีแต่ความร่ำรวยตลอดทุกชาติจนกว่าจะเข้ามิพานธ์ด้วยกาลังของท่านสองพิญวาจาร ท่านเกิดทุกชาติจะมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็เชื่อข้อสามข้อสามการช่วยเหลือกันงานเป็นเหตุบันดาญความถูก เ, เรื่องความทุกข์เขาเราเกิดไปทุกชาติการงานจะสะดวกทุบรางหน้าตาจะสวยและข้อที่สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนจะเป็นคนมีอำนาจวาสนาสูงจะ เ, เป็นที่ยอมนับนัาถือของคนละคน อรันดาท่านพุทธศาสนิกชนใช้จะกลัวแล้วเพราะว่าเวลาหมดเกือบจะไม่ทันเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี